Gauvato arahato sammà sammuthatsa nàmuthatsa. Gauvato arahato sammà sammuthatsa nàmuthatsa. Gauvato arahato sammà sammuthatsa. Idàni athami nivaśe sanipradhitāya mudhaparishāya kāji dhamigatā อัตตรัตถังปรัตเธนะมหุนาปิสหปยิอัตตรัฐะมะปิญญายะสัทธาปะสุโตเสยยติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโถสาธายัสสะมันเตหิติวันนี้เป็น 8 ค่ำแห่งสุคระปักษ์ พุทธมามกะบริษัตรทั้งหลายทั้งบรรพชิตและ อบรมด้วยดีต่อแต่นี้เราท่านทั้งหลาย คือบุญกุศลที่พวกเราทุกท่านทุก อัตตรัตตามปินฺนายสนตฺถปาสุโตสิยาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลไม่ เมื่อจะกล่าวโดยความจริงแล้วจะซึ่งประโยชน์โดยความนั่นมีหลายสิ่งหลายประการด้วยกันแล้ว ท่านได้ทรงชี้ไว้เป็นหลักใหญ่ๆมีอยู่ถึง 3 ประการด้วยกัน หลังจากเราแตกดับทำลายขันธ์จากปัจจุบันไปสู่โลกหน้าเรียกและ 3 ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อย่างยิ่ง ในโลกทั้งสองโลกทั้งสองคือประโยชน์ๆปรมัตถประโยชน์อันสูงสุดนั้น หรือนั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในขณะที่ 4 นั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในชาติ อย่างมากตั้งอยู่ในประโยชน์สุดก็ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้ง จะถึงภาวะตามหลักของความสมมุติคือเป็นจริงตามความสมมุตินั้นๆเช่นอย่างบรรพชิตได้นั้นๆบรรพชิตก็ นักบวชก็แปลว่าผู้เว้นทั่วในสิ่งที่ควรเว้นสมณะก็แปลว่าความ ดังนี้โดยย่อโดยย่อคําว่าสมณะคือนักบวชนั้น 227 สําเร็จสมบูรณ์ตามหลักสมมุติ คำว่าเรากอของสมณะนั้นก็เป็นเชื้อสายคือเป็นผู้มีความสงบเสงี่ยมในทาง แม่สัมปราวิกัฏฐประโยชน์เบื้องหน้าอันนั้นก็ทรงบำเพ็ญโดยปรียายประโยชน์เบื้องหน้า ดังนี้อันนี้มีอยู่ในธรรมบทแต่ไม่แม้แต่พวกเราท่าน อริยทรัพย์แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ๆในโลกแล้วก็มาลงทุน 8 เป็นนิดบ้างโอโบสถ เมื่อแล้กผลคือถ้าบุคคลต้องการสามีภริยาเมื่อมีสามีภริยาแล้วก็ปรารถนาบุตรขอให้ได้ ที่เป็นพระพุทธมาฆะกาหรือบริษัทผู้มีความ มันผิดพุทธประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวก เมื่อในภพชาติปัจจุบันมันไม่พ้นวันนี้มันไม่พ้นวันพระนี้วันไม่ มันเป็นความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นตามภาระหน้าที่ในการเป็นของนี่คันนี้ผู้จะชี้ประโยชน์ประโยชน์ใน ยกเป็นซึ่งรับบวชหลังที่กล่าวแล้วได้แก่ภิกษุสามเณรเพราะๆสิ่งบรรดาที่มี ปัจจัยสี่ 4 ใครสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เพ่งอํานวยให้ใครสมบูรณ์บริบูรณ์ๆอยู่สี่หลักด้วยกัน ประการที่ 1 คือความขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจขี้ค้านความขี้เกียจ เป็นความเริ่มช้าของความสําเร็จทุกๆอย่างไม่ว่า ได้แก่กิเลสครอบงําจิตใจของตัวเราเองย่อมใดๆพึงควรระมัดระวังสังวรท่านสอนมี มีความพยายามมีความเข้มแข็งทั้งส่วนกายและจิตใจมีทั้งกําลังกายดีน้อย แต่เมื่อปราศจากโรคภัยแค่เจ็บก็ๆครั้งนับได้ แต่นี่เรื่องของสังขารนั้นถึง ตนใดที่สุดก็มีอยู่เพียงแต่ว่าประคองตัวก็ยากนี่มัน แต่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ยังไม่หมดโอกาสและ 16 เกล้าธนาเครื่องอยู่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันเป็นที่อบอุ่นใจบินดอก จริงใดมันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใน ในการบริโภคอุปโภคใช้สอยซึ่งปัจจัยนั้นๆให้มันเกิดประโยชน์แก่นั้นท่านผู้รู้ได้แก่พระผู้มี ศึกษาเรียนรู้ในคําว่ามัชฌิมาคือความพอรู้ที่เราทุกคนจะต้องศึกษาทําความ เริ่มตั้งแต่เราหาวิชาวิทยาและศิลปะวิทยานี่ลอกจากจะเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตของเราแล้วในทางพระพุทธศาสนาท่านก็ยกย่องสนับสนุนว่า เพ็ญศรีมงคลคือความดีสําหรับชีวิต เมื่อเราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 แล้วใช่ว่าจะ ในหลักวิธีการและแนวทางนั้นละวิธีการและแนวทางนั้นนั้น นักผลนิพพานคือการพ้นทุกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในคําที่ว่าทรงพระบารมีถึง 4 อสงไขยกําไรแสนมหา แล้วก็ในที่สุดก็ได้โลกหลังนั้นพวกเราก็เช่นเดียว ใครก็ตามถ้าไม่รู้จักคำว่ามัชฌิมาแล้วจะเกิดการเบียดเบียนตนเองคือเบียดเบียนตนๆพูดใดๆคิดใดๆจงเว้น การเบียดเบียนตนการเบียดเบียนคนอื่นนั้นเราก็พอที่จะรู้เข้าใจกัน เพื่อประโยชน์สุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านการ อยู่กับชีวิตและเลือดเนื้อของผู้อื่นเขาสร้างความ เมื่อผลแห่งความการเบียดเบียนผู้อื่นมาถึงเข้าแล้วจะเห็นแต่ความ และไม่รักตนทําไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะคนเราทําความชั่ว ในตัวของมันตัวของมันเมื่อไม่เป็นความดีเราทําดีถึงเรา ตัวเราคนเดียวฆ่าคนได้เป็นร้อยเป็นพันนี่เกิดความสำคัญตนว่าตน เพราะฉะนั้นคำว่าเบียดเบียนตนและไม่รักตนก็ สัตว์ทั้งหลายมันก็เลยพอได้รับความเดือดร้อน ของสหอาตไม่ใช่ปลุกกระปลกมาทนุบำรุงทั้ง ทราบงามอยู่การท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ก็ยังไม่สิ้นสุดเมื่อยังไม่ เรามาศึกษาแล้วจะติดเจ้าปาย เพื่อจะให้ไปสู่ทุกขติทางที่ไปทุกข์ไปยากไปลําบากขณะที่ไปก็ลําบากไปถึงแล้วก็แสนที่จะทุกข์มี พวกเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้นอกจากเราจะมา พวกเราทั้งหลายก็ยื่นชื่อมาเหมือนกันนี่สุคติก็เรียกว่ามาดีมาดีทําไม มาด้วยอานาตคุณนามความดีเรียกว่าบุญบุญ มลทินเขาก็มีการเกิดเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเค้าก็มีการเกิดเหมือนกันแต่มันมา คือด้วยบาปกรรมจะพึงบันดาลให้เขาอยู่กันเขาก็กินเขาก็ขับเขาก็ถ่ายเขาก็หลับ คำว่านรกนรกให้ดูในนรกปัจจุบันอืมถ้าหากว่ามันยังไม่ชัดให้ดู นั่นแหละคือนรกและความสุขนั่นคือสวรรค์เนี่ยมาย่อเข้านี่เพราะฉะนั้นเมื่อเบียดเบียนคนว่าเบียดเบียนตนนั่นหมายถึงทางที่ไม่ดีทีนี้ใน เบียดเบียนตนในทางที่ๆก็ตามตามคำว่าเบียดเบียนตนนั้นอย่างไรคนเราน่ะมีความโลภมีความละโมบ สวงหาประโยชน์ในปัจจุบันโลกหน้าอย่างยิ่งประโยชน์ในปัจจุบันโลกหน้าอย่างยิ่ง ปัญญาแสงสว่างของเรามันยัง เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราจะทําอะไรๆแล้วก็ความอยากตัวนี้เหมือน ร่วมความนั้นคือยานพาหนะทําได้ทําหน้าที่ส่งมนุษย์ไปตามจุดหมายนั้นๆเมื่อเขาถึงจุดหมาย เลี่ยวกับปรมัตถประโยชน์นั้นมันต้องทําลายความอยากโดยสิ้น ผลมรรคผลประโยชน์จริงจะเกิดขึ้น ให้เราตั้งอยู่ในการแสวงหาคือๆเรา เชื้อและกับปัจจัยนั้นๆเกินความพอดีและทําให้เกิดภาวะคือเชื้อโรคทําให้ เราจะมีเงินร้อยล้านพันล้านมันก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้มาซื้อมาเรา 4 รู้ ให้รู้จักเลือกบุคคลคบเขาเห็นว่าเป็นคนแล้วปีจะครบ 100 ปีก็อย่า ภาวะนั้นๆอืมสมมุติไม่มีการเปลี่ยนแปลงไรภาพของการสมมุตินั้นนั้นๆสิมันดิ้นได้มันกลับ เนี่ยพวกเรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างไรมีหน้าที่อะไรพวกคนเราแล้วเมื่อสมมุติ ขึ้นมาเฉยๆมันมีองค์ประกอบคุณเครื่องแห่งความสมมุติเหล่านั้นและแก่ตำแหน่งหน้าที่ภาระหน้าที่เขา นวากะเนี่ยไม่ใช่นี่มันชื่อสมมุติแต่ว่าสมมุติทั้งหมดนั้นมันมีองค์ประกอบมีคุณสมบัติๆและจิตใจของ เป็นไปโดยถูกต้องโดยสมบูรณ์หรือยังนี่แหละท่านทั้งหลายให้พากันทีนี้พิจารณานี่เพียงแค่แสดง ก็เห็นว่าเป็นหลักวิชาที่เพียงพอสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอาที่จะพึงกําหนดจดในความ ยังใดยังหนึ่งสําหรับชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่ควรที่จะ คุณคุณสมบัติที่เค้าแต่งตั้งรองรับ<ใช> ข้อสิ่งแวดล้อมที่เราจะเห็นว่ามันสําคัญจนเป็นเหตุให้เราทอด ที่ประพฤติเจ้าหรือเราศึกษาที่จะยังความบริสุทธิ์ให้เกิดดําเนินขึ้นใน อย่าเห็นอารมณ์อื่นดีกว่าอารมณ์นั้นอย่าทําลายอารมณ์นั้นเพราะ เขาสมมุติและให้เป็นอะไรเราก็มักติดมักยุดแล้วก็เกิดความรุ่มหลงให้มี ความยึดถือเหล่านั้นแล้วก็วางธุระหน้าที่ทั้งเพียง เขาว่าเรานั่นมีคุณสมบัติมีความสามารถเขาจึงสมมุตินั้นให้เราเป็นอย่างนี้แต่พ่อเขาให้เป็นแล้วเรานั่นแหละ เป็นคนทำลายคุณความดีและความสามารถ สำนึกได้ใหม่แห่งความดีนั้นเหลือนั่นคืออะไรเขาสมมุติให้เป็นเจ้าว่า ก็หลงความเป็นเจ้าอาวาสเขากิจการในทางพระต่างๆ ได้แก่การองค์เขาสมมุติเผยแผ่องค์การปกครอง อำเภอจังหวัดพาดเลขาของมหาเถรสมาคมและก็เลขาขององค์ จัดพัดเหล่านี้เป็นต้นเสนาสนะเหล่าเป็นนักบวดเป็นมีบาทอยู่ในมือเขา เที่ยวแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพตามอริยวง โกนหัวโกนคิ้วสมาทานศีล 8 เป็นพราหมจารีณีไม่ปง 8 ลื้อทิ้งบ้าน เป็นเรื่องที่อยู่ในความสมมุติขึ้นมาแล้วสมมุติทั้งสิ้นเมื่อเรา คำสั่งอยู่อย่างนั้นให้คุณให้โทษอยู่อย่างนั้นเมื่อรวมความแล้วพุทธเจ้า แม่อันได้ชื่อว่าได้เป็นหัวใจก็ดีและเป็นแก่นได้ตอนโดยที่กล่าวรวมแล้วท่าน มีทั้งดีและก็มีทั้งชั่ว ทั้งดีพระธรรมนั่นเป็นธรรมชาติไม่สะอาดหมดจดถ้าจะเปรียบเรียกว่าพระธรรม ไม่ใช่ของดับมืดหรือเปรียบแก้วทรายเพชรหรือหรือเปรียบได้ ความสว่างสว่างความสว่างจากจากธรรมชาติสว่างจากดวงพระอาทิตย์ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์และก็ผ่องใสผิดมิชอบ หรือเป็นไปกับความไม่ถูกต้องเป็นไปกับความไม่ถูกต้องถ้า แต่หากว่าเป็นไปเพื่อความสั่งสมและ ของของมืดของมืดท่านจึงให้บอกถึงความมืดของ นี่ประการอยู่ที่ว่าธรรมดำนี้ท่านอยู่ที่ว่า ความเร็วร้ายเร็วร้ายพอกทูนกิเลสในตัวตนมาก ท่านสอนให้งดเว้นให้ปล่อยวางงดเว้นให้ปล่อยวางให้ ขั้นสอนอย่างนี้ไม่ดําเนินตามคือไม่ คือวาจาก็ดีแม้ในที่สุดมี โดยไม่เนิ่นช้าให้เห็นสิ่งกับอสรพิษให้เห็นสิ่ง ให้เร่งท่านสอนอย่างนี้ส่วนตรงกันข้ามท่านก็สอนให้ทันที แม่ไม่มีอยู่ในตัวของเราเขาชี้ช่องทาง ลึกความและท่านผู้รู้หมายเอาเมื่อไม่มี